จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่17พฤจจิกากาม2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมน้ำมันให้แก่จิตใจ คือการคือเติมธรรมะเติมบุญเติมกุศลซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ใจของเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีบุญไม่มีกุศลก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรที่จะกรเเชิญ กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งดีและไม่นะไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาถ้าเรามีกำลังใจมีพลังจิตเราก็จะสามารถประเชิญกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเจริญหรือเสือ่อมเช่นการเจริญราบยศสรรเสริญสุข หรือการเสื่อมในลากรถสารสนรสุขก็จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจที่มีธรรมะมีบุญมีคุณสมดังนั้นวันนี้เราจึงได้มาวัดเหมือนกับขับรถเข้าสถานีบริการพอมองไปที่มากวัดน้มมันแล้วเห็นว่ากำลังจะหมดแล้วเข้าถึงเกือบขีดแดงแล้วเราก็ควรที่จะแวะเติมน้ามัน ไม่เะนั้นเดี๋ยวรถของเราไม่สามารถวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมาคอยเติมธรรมะเติมบุญเติมกุศลอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้ขับเคลื่อนจิตใจของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิอกที่วิเศษก็คือ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีน้ำมันมีธรรมะมีบุญมีกุศลที่จะให้กำลังแก่จิตใจเพื่อที่จะได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึง น้ำมันที่เราต้องเติมหรือน้ำธรรมะที่เราต้องเติมนี้ก็มีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. ศรัทธา 2. วิริยะคือความภาคเพียร 3. คือสติการเราเลิกรู้ 4. สมาธิความตั้งมั่นของจิตใจและ 5. ปัญญาคือความรู้ตามความเป็นจริง นี่คือธรรมะที่เราควรจะเติมอยู่เรื่อยๆข้อแรกก็คือศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อในพระรัตนตรยัยเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเป็นผู้นำทางเป็นผู้ชี้บอกทางให้เราได้ดำเนิน ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันวิเศษถ้าเรามีศรัทธาเราก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเข้ามาศึกษาถึงชีวประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคํามสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาชีวประวัติ แบบฉบับอันดีงามของพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเราได้ศึกษาก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธา ม, มีพลังมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปและกำจัดกิเลสตัณหา ให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเราไม่ได้รำนึกถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆไม่ได้ศึกษาประวัติอันดีงานของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อริยสงสาวกอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความทอดแท้ใจได้แต่พอเรานนึกถึงวิถีชีวิตของท่าน การปฏิบัติของท่านว่าท่านก็ต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากมาอย่างโชคโชนกว่าที่จะได้มาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเราท่านก็ต้องเจอกับความทุกข์ยากลําบากเจอกับความท้อแท้หดหนาระอาใจเจอกับความเกลียดคร้านที่จะมาคอยทําลายการปฏิบัติที่ดีที่งาม แต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สู้ไม่ถอยคือไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะออ ก, กำลังลงบ้างท้อแท้บ้างก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆได้บ้างได้น้อยก็จะไม่หยุดปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้พวกเราก็เช่นเดียวกัน เวลาเราเกิดความทอ้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเกียจคร้านที่จะทำบุญที่จะละบาป ท, ที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอเราได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังใจขึ้นมา มีกำลังใจที่จะมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันเราก็จะไม่หยุดเราก็จะสู้ต่อไปปฏิบัติต่อไปเราก็จะมีความภาคเพียรมีวิริยะการภาคเพียร ถ้าเราภาคเพียนก็เท่ากับเราเติมวิริยะเติมให้พลังกับจิตใจถ้าเราเกียรติคร้านเราก็เหมือนกับตัดกำลังของใจเราฉะนั้นเราอย่ากเกียรติคร้านเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ทุกเวลานาทีเพราะการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การที่เราจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ จำเป็นจะต้องมีความภาคเพียรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญถ้ามีศรัทธาแต่ไม่มีความภาคเพียรก็จะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำหน้าที่คือทําบุญละบาปและกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจดังนั้นเมื่อเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติแ ล, แล้ว เราก็ต้องเร่งความเพียรพยายามทำบุญให้มากขึ้นละา บ, บาปให้มากขึ้นกําจัดกิเลสตันหาให้มากขึ้นอย่าถอยหลังอย่าเดินถอยหลังคือทำให้น้อยลงทำบุญน้อยลงทำบาปให้มากขึ้นกาจัดไม่ได้กําจัดกิเลสน้อยไปน้อยลงไปอย่างนี้ก็เป็นการเดินถอยหลัง เราต้องเดินไปข้างหน้าอยู่เสมออย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องรักษาบุญที่เราได้ทำมาแล้วนั้นอย่าให้สูญหายไปอย่าให้ถดถอยไปบาปที่เราได้และแล้วก็อย่าให้กลับมีเพิ่มขึ้นมาใหม่ปิเลตัณหาที่เราตัดได้แล้วก็อย่าให้เขาฟื้นกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เราต้องทำอย่างนี้ไปถึงแม้ว่าจะมี กำลังหรือไม่มีกําลังอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรที่จะรักษาบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หมดไปแล้วก็อย่าสร้างบาปขึ้นมาใหม่อย่าเพิ่มกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปแล้วพอเรามีกําลังใจหายจากความท้อแท้เบื่อหน่ายเราก็จะได้ทําบุญเพิ่มมากขึ้นไปละบาปมากขึ้นไป ก, กรรจากเกเลตตัณหาให้หมดมากขึ้นไปเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจากอุตุชนเราก็จะก้าวสู่ปุตุชนธรรมดาเราก็จะก้าวสู่ปุตุชนที่มีศีลอุตุชนที่ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมได้ปุตุชนที่มีสมาธิ แล้วจากนั้นเราก็จะได้ก้าวเข้าสู่ขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ตามลำดับ ต, ต่อไปเพราะนี่เป็นวิถีทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราไม่มีความแตกต่างกันเลยมีกิเลสตัณหา เต็มอยู่ภายในหัวใจแต่พอท่านได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือว่าการทำบาปนี้เป็นโทษหรือว่าการทำบุญนี้เป็นคุณรือว่าการกำจัดกิเลสตัณหาเป็นวิธีที่จะตัดพบตัดชาติให้หมดสิ้นไปท่านก็เลยเกิดความวิริยะความฉลหดที่จะทำบุญให้มากขึ้น ทำบาปให้น้อยลงตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้เบาบางลงไปจนหมดไปด้วยการทำบุญใส่บาตรเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นแล้วก็รักษาศีลเริ่มต้นที่ศีลห้าจากนั้นก็รักษาศีลแปพอรักษาศีลแปได้ทุกวันก็ออกบวชได้ ออกบวชได้ก็จะบำเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิได้จิตก็จะมีความสงบ พ, พอจิตมีความสงบ พ, พิจารณาทางปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็จะสามารถบรรลุอริยธรรมขั้นต่ตางๆได้นี่คือวิถีทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้บองเพนมาแล้วท่านไม่มีความแตกต่างจากพวกเราเลยดังนั้นเราจึงไม่มีข้ออ้างว่าเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพระอาหารหันตสาวกอันนี้เป็นข้ออ้างของกิเลสอย่าให้เกิดขึ้นไปมาภายในใจเป็นอันขาะเพราะจะทําให้เราไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ จะไม่มีวิริยะความอุตสาหาภาคเพียรที่จะเจริญสติจะนั่งสมาธิและเจริญปัญญาแต่ถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็เป็นผู้ดุชนเหมือนเรา <c oughs> มีอะไรต่างๆเหมือนเรา <c oughs> เพียงแต่ว่าท่านมีศรัทธาท่านมีวิริยะความภาคเพียรดังนั้น ถ้าเรายังไม่มีศรัทธาก็ขอให้เราพยายามสร้างศรัทธาขึ้นมาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาภาพรประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายพ่าเมื่อเราศึกษาแล้วจะทำให้เราเกิดมีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติจะเกิดวิริยะความขยันหมั่นเพียรขึ้นมา จะมีจิตใจที่จะพุ่งไปสู่การปฏิบัติคือเจริญสติสมาธิและปัญญาใจจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นจะคิดแต่เรื่องการเจริญสติการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญานี่คือวิธีที่เราจะปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นเราต้องคิดว่าทุกคนเริ่มต้นจากจุดเดียวกันเคยเจอจากการเป็นปุถุชน เมื่อเราเป็นปุถุชนเราก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นปุถุชนเราดีกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีกตรงที่ว่าเรามีพระพุทธเจ้ามาคอยนำทางเรามีพระอาหารหันตาสาวกคมาคอยนำทางถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันตาสาวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถทำงานนี้ให้สาเร็จได้ภายในาชาตินี้เลย แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคําสอนได้มาพบกับพระอริยสงสาวกต่างๆเราก็มีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจอันสําคัญนี้ให้เสร็จไปได้ภายในชาตินี้เลยดังที่มีผู้ที่ได้สําเร็จภารกิจอันนี้มาเป็นจํานวนมากแล้วเป็นที่ เรากล่าวไหว้บูชากันมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่ต่างจากเราท่านก็มีกิเลสตัณหาท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราแต่เมื่อท่านได้มาสัมผัสรับรู้กับพระพุทธศาสนาท่านก็ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจไม่ทำแบบเล่นๆทำแบบเอาจริงเอาจัง พออยากจะได้ผลที่จะได้เกิดจากการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจริงจงจังๆผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าปฏิบัติเล่นๆไปพอผลไม่ปรไม่ปรากฏก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกําลังใจนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราไม่สามารถบรรลุผลกันได้ เพราะว่าเราไม่ทำกันอย่างจริงใจจริงจังไม่ทำกันอย่างเต็มที่ทำกันพอหอมปากหอมคอเราเอาเวลาของเราไปทำภารกิจอย่างอื่นแทนเสียแทนที่จะมาทำภารกิจอันนี้เราก็อ้างว่ามีภาระอย่างนั้นภาระอย่างนี้แต่ภาระเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ ถ้าเราจําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันถ้าอรหันต์ตัดสาวลกทั้งหลายท่านก็มีเหมือนกันท่านก็มีบิดามารดามีสามีมีภรรยามีบุตรธิดามมีมีทรัพย์สมบัติมีบริษัทมีกิจกรรมต่างๆเหมือนกันแต่ทําไมท่านไม่ถือว่าเป็นภาระที่สําคัญเพราะเพราะกิจกรรมเหล่านี้ภาระเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะปลดเปื้องให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองภารกิจต่างๆที่เราทำกันนี้ทำไปก็เพื่อให้อยู่ไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปภารกิจเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์กับเราออต่อไปไม่สามารถยับยั้งการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ ดังนั้นเราจึงอย่าไปให้ความสำคัญกับภารกิจต่างๆเหล่านี้เราสามารถสลัดทิ้งไปได้ทันทีเลยเพราะว่ามันไม่สำคัญใครเขาจะอาศัยเราก็ปล่อยให้เขาพึ่งตัวก็เองบ้างเขาพึ่งไม่ได้ก็เขาก็ต้องตายไปเขาพึ่งถ้าเขาพึ่งเราเขาก็ต้องตายเหมือนกันเขาก็ต้องไปเกิดใหม่เหมือนกันผลคือไม่มีความแตกต่างกัน ในระหว่าการมีภารกิจเหล่านี้กับการไม่มีภารกิจเหล่านี้บุคคลที่เราเขาเพึ่งเราหรืออาศัยเราเขาตายไปเขาก็ต้องไปเกิดใหม่อยู่ดีไม่ว่าเราจะดูแลเขาหรือไม่ก็ตามดังนั้นอย่าอย่าอ้างภารกิจต่างๆที่อ้างก็เพราะว่าเราถูกตีเลทหลอกเราไม่รู้ว่าภารกิจที่สําคัญที่แท้จริง ก็คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้แก่พวกเรานี้เองให้พวกเรามาเ ต, เติมพลังจิตเติมกำลังใจด้วยการสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่ภายในใจเราแล้ ว, ลวเราจะสามารถตับคบตับชาติ ตัดการเวียนว่าจายเกิดให้หมดสิ้นไปได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาแล้วอุปสรรคของพวกเราตอนนี้อยู่ตรงที่ถูกความหลนคอยหลอกคอยล่ อ, อ, ลอไม่ให้เราหลุดออกมาจากความครอบงำของกิเลสตัณหานนี้เอง มันจึงอ้างเหตุผลต่างๆนาน า, น า, นาอ้างภาร ะ, ะต่างๆน า, นานาแต่ที่แท้จริงแล้วมันต้องการให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงให้เราอยากในรูปสียงกิ่นดสให้เราอยากมีอยากเป็นให้เราอยากไม่มีอยากไม่เป็นไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเราไม่สามารถปฏิบัติตามที่พรธเจ้าทรงสั่งสอนได้เพราะพวกเรายัง กกิเลสหลอกให้เราโลภให้โกรธให้หลงให้เรามีตัณหาคือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอยู่แต่กิเลสมัญชลามันจะไม่บอกว่าที่ไปปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังมีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่มันจึงอ้างเหตุผลอย่างอื่น ก็คือภาระต่างๆที่จะต้องทาเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นอื่นอันนี้ไม่ใช่ภาระเพราะว่าเราสามารถตัดทิ้งไปได้ทุกเมื่อทุกเวลาจะไม่มีผลเสียหายอย่างไรเพราะผลจะเท่ากันคือตายไปด้วยกันทุกคนเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ด้วยกันทุกคน แต่ถ้าเรามาทำภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้พวกเราทำผลจะต่างกันเพราะเมื่อตายไปแล้วเราจะไม่ต้องไปเกิดใหม่และเราสามารถที่จะสอนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติเหมือนกับที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วผลที่เขาได้รับก็คือเขาก็จะได้เวลาตายไปแล้วเขาก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีก อันนี้แหละเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นภาระที่แท้จริงที่เราควรจะทำแก่ตนเองนลาแก่ผู้อื่นฉะนั้นตอนนี้มีภาระอะไรก็ตัดทิ้งไปเสียบอกว่าไม่ใช่ภาระที่แท้จริงภาระที่แท้จริงก็คือการเติมพลังจิตเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาพอเรามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถตัดทุตัดชาติให้หมดไปจากใจเราได้พอหมดแล้วเราก็เอามาสอนผู้อื่นผู้ที่เราถือว่าเป็นภาระต่อไปเช่นสอนบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทีดาและญาติสนิทมิตรสหาย อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงบรรลุเป็นาาต้าอรหันต์ตถาสมมาสามพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงสเสด็จกลับไปโปรดญาติโยมในพระราชวังก็มีผู้มีจิตศรัทธาขอออกบวชกันญาติสนิทมิสหายลูกแม่เลี้ยงก็ขอบวชกันออกบวชกันและปฏิบัติธรรม จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันแม้แต่พระราชบิดาถึงแม้จะไม่ได้บวชแต่ก็สามารถได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเจ็วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตก็ได้ทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละคือภาระที่แท้จริงคือต้องเราต้องช่วยเหลือให้ผู้อ่อนเขา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ก่อนที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องทำตัวเราเองไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักทางแล้วเราจะไปบอกทางให้คนอื่นเขาได้อย่างไรเราต้องรู้ทางก่อนเราต้องเดินทางไปก่อน เดินปางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วเราค่อยกลับมาพาผู้อื่นไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอีกต่อดังนั้นอย่าให้กิเลสหลอกเราว่าเรามีภาระหน้าที่หรือว่าเราไม่มีบุญบรารมีไม่มีวาสนาไม่มีอะไรจะมีถือว่ามีบุญบรารมีวาสนามากเท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ได้มาเกิดพับได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้แหละเป็นบุญบา ร, รมีวาสนาที่แท้จริงอันยิ่งใหญ่ต่อถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาต่อให้สร้างบุญบา ร, รมีมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้นอกจากเป็นพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่มีวัน ต่อให้สร้างบุญบา ร, รมีมามากมายกว่าที่มีอยู่ขณะนี้อีก 100, 000, 000, 000, 000, 000. ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าบารมีเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอเราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระคมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเราได้พบกับบา ร, รมีอันยิ่งใหญ่ เราสามารถอาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นบา ร, รมีของเราได้สามารถทําให้เราปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยดังนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันวิเศษอันเลิศนี้ให้หลุดมือจากเราไปเพราะวาสนาแบบนี้เป็นวาสนาครั้งเดียวนานๆจะเกิดซักขึ้นมาซักหนึ่งครั้งถ้าเรา ไม่ตักตวงวาสนาบารมีอันนี้มาทำประโยชน์ให้แก่เราให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วตายไปนี้วาสนาบารมีอันนี้ก็จะสูญเปล่าไปถ้าเรียกว่าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่เอาวาสนาบารมีอันยิ่งใหญ่นี้ มาทำประโยชน์ให้กับตนมัวแต่ไปทำภาระที่ไม่สำคัญดูแลคนนั้นคนนี้ดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดูแลกิเลสตัณหาอันนี้เป็นการเสียชาติเกิดถ้าเราทำภารกิจเหล่านี้แต่ถ้าเรามาทำภารกิจที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติ มาสร้างศรัทธามาสร้างวิริยะสติสมาธิและปัญญาเราก็จะได้ผลอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไป เราจะได้ช่วยเหลือบิดานานดาสามีภรรยาญาติสนิทมิตรสหายบุตรทีดาให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่เหมือนกับเรานี่คือภารกิจที่พวกเราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจยพยายามตัดภารกิจต่างๆทั้งหลายให้หมดไป ให้เหลือแต่ภารกิจอันนี้อันเดียวเพราะถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับภารกิจอันนี้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เลยว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากและถ้ามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถมากก็สามารถทำภารกิจนี้ให้เสร็จได้ภายในเจ็ดวันแล้วก็มีผู้สามารถทำมาแล้วเป็นจำนวนมาก พระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้รับประกันคําสอนคําปยากรของพระ พ, พุทธเจ้าว่าถูกต้องแม่นยําที่สุดไม่มีการคาดเคลื่อนขอให้ผู้ที่ปฏิบัติเพียงแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นคือให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน แล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานนี้จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางมรรคผลนิพพานได้นอกจากความหลงของเราเองที่ไปหลงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีความสำคัญกว่าการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นขอให้เราหมั่นพยายามศึกษาเขาทำคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้กำจัดความหลงที่จะคอยหลอกให้เราไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาปฏิบัติทำกันเมื่อเราไม่ได้ทำเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปอย่างนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเราปฏิบัติ ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราต่อการปฏิบัติต่อการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเติมพลังเติมกำลังให้แก่จิตใจด้วยการเจริญศรัทธาวิริยะ